ขพะความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลงปู่สุิยานได้นำเสนอเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาโดยกาดับคือหลังจากพระพุทธเจ้าได้จัดสรุ้พระนุตตรสมาสมุติยานโดยการบรรลุพยานสามแล้วก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทในยามทั้งสามพร้อมด้วยเป่งพระพุทุธทานอย่างที่ว่าไวในตอนต้นแล้วเนี่ย ก็ตลอดระยะเวลาเจ็ดันเนี่ยายใต้ต้นประสีมาโพคือในสมัยนั้นที่จริงก็ไม่ได้ชื่อว่าต้นประสีมาโพไปชื่อว่าต้นัศัตว์ตรับพึก <c oughs> ก็ทรงพิจารณาปัจจัยการกลับไปกลับมาโดยอนุโลมปฏิโลมตลอดก็เรียกว่าคล่องแคล่วชนานิชานาญมันปฏิจาสมบัติในลึกซึ้งมากนะถ้าจะตั้งใจศึกษาสาเนิจจริงๆแล้วเนี่ย ต้องใช้เวลาโดยเฉพาะแม้ในระดับของการจะนำไปอาธาิบายชี้แจงแสดงเนี่ยลักสุนธรรมเรียนในนักรรมนันงโทแล้วก็อยู่ตอนปลายหรือตอนหมดสิบสองซึ่งกว่าจะถึงเนี่ยมันก็ใกล้อบไปแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนไปไม่ถึงเพราะว่าเวลาเนี่ยมันจำกัดเพราะนันปฏิจจตัุบาติ เราจึงไม่ค่อยใส่ใจศึกษากันเท่าไหร่แต่ฝรั่งเนี่ยก็จะสนใจมากเพราะว่าพอจับหลักตรงนี้ได้เราจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยวันก่อนได้ฟังรายการเขาพูดที่เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจผู้ถึงการปลูกพืชการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ ก็สนใจมากก็หยุดงานนั่งฟังเลยจะอ่านเทพไปด้วยเพราะต้องการจะเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจท่านผู้หนึ่งท่านเป็นก็นักปฏิบัตินะฮะคือวิชาวความรู้ก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นดรอกเตอร์อะไรหรอกแต่ว่าประสบความสำเร็จทางธุรกิจท่านได้บายเป็นตอนเป็นตอนก็เลย น, นึกว่าเอออันนี้มันคือปฏิจจสมปัจจ หรือตอนพูดถึงการพัฒนาสิ่งหนึ่งขึ้นมาเราก็นึกว่าเออปริมาณเขาเพิ่มเนี่ยทยํายังไงล่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ต้องใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเชิญชวนก็ ช, ว น, ชวนให้คนกินข้าวกินข้าวเพิ่มขึ้นในส่วนต่างๆของประเทศเนี่ยประเทศจีนประเทศแอลจรีต่างๆเนี่ยชวนให้คนกินข้าวเพิ่มขึ้น แล้วในขณะเดียวกันเราก็เอาพื้นดินเท่าเดิมเนี่ยไปพัฒนานดินขึ้นก็ผิดผลต่อไร่เนี่ยกี่กิโลนะยังเราเนี่ยไม่เท่าไรอย่างประเทศบางประเทศเ้าบอกว่าตั้งพันกว่ากิโลเราก็เห็นเออมันเป็นวงจรมันหมุนดีนั่งฟังเออไอนี่ทำได้แต่ว่าคนต้องฉลาดสามารถแล้วก็รับผิดชอบในจุดๆๆๆไปเลย พัฒนาภาคเกษตรกรรมเนี่ยคนมีที่นาเพียงสิบห้าไร่เนี่ยก็สามารถจะมีฐานะอย่างดีได้รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีจะสูงขึ้นพอเราฟังแล้วก็น่าสลดนะฮะต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยเราแยกภาคเกษตรกรรมออกไปเนี่ยต่อเดือนนะฮะไม่ใช่ต่อปีเหมือนพันกว่าบาทแต่นั้นเองดูแล้วก็ก็น่าสลด แต่เราฟังแล้วเลยนะเออนี่คือปฏิยาการแต่ว่าในกระบวนการของปฏิยาการเนี่ยมันมันขาดความต่อเนื่องคือมันไหลไม่ไปอ่ะเราลองตั้งเกตนะเราตั้งเกตว่าไหลไม่ไปเช่นสมมติว่าเราส่งเสริมไม่มีการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเอาสมมติกาแฟก็ได้กาแฟรหรื อ, อยางพา ร, ราเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ดูไอ้ต้นพุนเนี่ยมันตัเท่าไหร่ ปลูกไปเท่าไรแล้วก็ความต้องการในบ้านเมืองเราเนี่เท่าไรขายออกเท่าไรจะได้กำไรขึ้นมาเท่าไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบแล้วในสุดมันไหลไม่ได้ไหลไม่ได้มองกองกลางถนนก็ปิดถนนได้เพราะเออมันไหลไม่ได้มันมีลักษณะของปฏจกิจริยาสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดมันต้องเกิดระเป็นแถวไปเลยจนถลทสายป่านมันเลยเดี๋วเงินก็ย้อนกลับมา จนก็มาเกิดใหม่เห็นไหมเราจะเห็นว่าอภิชาปัจญาสังขารามันจะหมุนไปเรื่อยเป็บวงกลมอย่างเรืกิเลสกรรมไม่บากิเลสกรรมไม่บากิเลสกรรมไม่บ่เรียกวัตจักอ่ะที่เขาเรียกวัตจักรแล้วมันหมุนได้มันเป็นโครงสร้างที่เราไปใช้ได้ทุกเรื่องแหละแต่ว่าที่น่าเสียดายคือว่าสังคมไทยเนี่ยไปตื่นเส้นกับอะไรกับของฝรั่งไปวะถ้าพอพูดเป็นภาษาอังกฤษคิวคิวคืออะไรโอ้เก่งกันจัง ตื่นเต้นกระจอกันใหญ่เลยมันแสดงด้วว่าไม่สนใจเรื่องตัวเองเลยอะเรื่องใกล้ตัวกันตัวเองยกตัวอย่างว่า i อคิกับ e ีคิตอนนี้ตอนนี้กําลังมันอีคิวกันอยู่ไปที่ไหนได้ยินนะพ่อครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพวกกระทรวงศึกษาธิการพวกกระบวงเนี่ยชอบพูดถึงอีคถามว่าทํำไมต้องใช้ภาษาอังกฤษมันมีความจําเป็นอะไรต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่โก้เลยอยังไง เราไม่เข้าใจได้ยังไงว่าไอคิวนั้นก็คือปัญญาประเภทที่เราเรียกว่าพรสวรรค์นะมันก็เรียกสัจจติกบปัญญาไอคิ IQ วก็คือพื้นฐานพื้นฐานของคุณธรรมอะ่ะพื้นฐานทางคุณธรรมที่อยู่ยังมีสติสัมปชัญญะเป็นกาการณสติสัมปชัญญะ อธิบายกันโอโหมากมายกายกอที่จริงแล้วก็เราถ้าเรามองว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นผลมาจากการศัลรู้เป็นสัพพัญญุตญาณเป็นความรู้หมดรู้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราเข้าใจหรือเปล่าจากในยา่าต่างๆที่ทรงแสดงไว้เนี่ยเราเข้าใจแล้ว่าใจเราก็นำไปใช้ได้นะมันเป็นบล็อกสเปรดรูป มันคิดต่อจากที่พระพุทธเจ้าทรงปูพื้นฐานเอาไว้เนี่ยเราก็มาคิดกับเรื่องร่วมสมัยแต่ถามดูไม่ว่าวิชาการอะไรแล้เขาพูดอะไรในเราฟังเราก็นึกว่าเอออันนี้มันก็มีอะแต่ว่าชื่อมันไม่เหมือนกันพระชื่อในสมมติทางนั้นนะแต่เนื้อหาสาระเนี่ยมันเป็นอะไร i อคในเนื้อหาสาระคืออะไรอีคิเนื้อหาสาระคืออะไร แนแนวในเนื้อหาสาระจริงๆีคืออะไรตลอดถึงทฤษฎีต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เขาว่าเนี่ยเนื้อหามันคืออะไรภาษาเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเนื้อมันคืออะไรก็เอาเฉพาะเนื้อหา ม, มาแต่ที่ยังอื่นต่อไปเราทําได้พวกอาหารกระรัรงต่างๆเป็นนันมากนะที่พอมาถึงมือไทยแล้วเนี่ยรสชาติดีกว่าของกระรัง แม้แต่พวกพิซซ่าพวกอะไรนี่พวกขนมปงังขมปังเนี่ยนะหรือแม้แต่อะไรอาหารข่งแขกก็โรตีนะโรตีโรตีหรือโรตีเนี่ยนะที่เมืองแขกเนี่ยไม่มีหรอกอย่างเงี้ยเมืองแขกมันแป้งเฉยๆฮะโรตีกับปาละกะจ้าปารีอนะไรเนี่ยจ้าปาลีเหมือนกันก็ไปอยู่เมืองแขกมันเคยฉันมาบอกว่าคนไทยเนี่มันเก่ง แขกมาถึงงงนะฮะเหมือนงงเหมือนก็งงเรื่องรามเกียรติน่ะคือรามเกียรติเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ารามลีลารามายณนะแต่เวลาเขาสแสดงเนี่ยเขาเรียกว่ารามลีลาเป็นฉากสั้นๆนะ่ะไม่ทำไรไม่มีอะไรไม่วิจิตไม่จัดอนะไอู้เพราเราว่ากันเล่นกันได้เป็นเดือนๆนละยแขกมาถึงก็งงนะฮะรามเกียรติเราในยอดที่สุดในเจ็ดแปดประเทศของเอเชียเนี่ยเรายอดที่สุด นั่นแสดงว่าเราที่จริงก็เราก็ปฏิรูปเป็นเน่ะบางทีก็ปฏิวัติเช่เลยแต่ทำไมพอเรื่องวิชาการดึงยอมสยบ ก, กับพลังไม่เกินทำไมไม่คิดเอาจากพื้นฐานภูมิปัญญาของสมมาธรรมุตเจ้ามานะ่ะมันเหนือกว่าเขาเยอะแยะแล้วไอ้เนี้ยที่จริงเราควรจะประสานร่วมแรงร่วมใจกัน นึกแล้วก็เสียดายนะองค์กรสง์เนี่ยเป็นองค์กรที่มันน่าจะทำอะไรได้เยอะโดยอำนาจวาสนาบารมีหน้าที่กรอบที่เขาวางไว้ให้ท่านเนี่ยแล้วการขออุปถัมสนับสนุนจากรัฐบาลในียเป็นกิ จ, จลักษณะเนี่ยถ้าจัดตั้งองค์กรขึ้นมานี่รัฐต้องสนับสนุนอยู่แล้วแต่เมื่อทำเนี่ยให้ศาสนาอื่นก็ทำด้วย เอาคิดงบประมาณให้กันตามเปอร์เซ็นต์ของศาสานิและช่วยกันทำงานส่งเสริมสนับสนุนกันเราเด็นว่างานาศาสนานี่งานที่ลงทุนไม่มากหรอกแต่ว่าผลประโยชน์มันจะมากคือมนุษย์เนี่ยถ้าพัฒนาจิตใจก็ได้แล้วเนี่ยอย่างอื่นไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกคืออย่างที่มีการประชุม กันคราวหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการทบวงมหาทลายแห่งรัฐแล้วก็องค์กรเอกชนหน่วยงานราชการ ร, าากากาการัฐวิสาหกิจต่างๆเข้ามาประชุมมันก็ตั้งประเด็นปัญหาขึ้นมาว่าคุณภาพของผู้รับการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการจากทบวงมหาทลายแห่งรัฐเว้นเน้นไปในเรื่องสีเรื่อง ความรู้เป็นยังไงบ้างไหมความคิดเป็นยังไงความสามารถเป็นยังไงคุณธรรมเป็นยังไงปรากฏว่าสามข้อแรกเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วข้ออธิบายได้ดีเขาสรุปได้ดีเขาบอกว่าความรู้เขาไม่กลัวหรอกเขาประทมนิเทศเราได้เพราะอย่าลืมวาภาคสนามในการทํางานเนี่ยมันเป็นการทํางานเฉพาะด้าน ต้องการคนจำนานเฉพาะด้านแล้วก็ประสานเชื่อมโยงกันก็ดนได้มันก็ประตูนิเทศเราพักเดียวฮะมันก็ได้แล้วแล้วก็สาธิตได้ดูแล้วก็ฝึกงานสักระยะหนึ่งมันก็ไปได้ความคิดเขาไม่กลัวเพราะว่าเขาระดมความคิดเอาได้ไปชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน แต่ไม่ใช่แนวประชาพิจารณ์นะแนวประชาพิจารณ์แนวมาอย่างนึกไม่เคอยออกบางทีเมาเล่ามันอาลวาดมันอะไรไม่รู้มันอารมณ์อะแล้วก็นึกกว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยพูดไปพูดมาคือประเทศเป็นของฉันฉันคือประเทศเแต่ว่าการการประชาพิจารณ์เนี่ยมันต้องมองประเทศไทยคือทุกส่วนของประเทศเนี่ยมันเป็นสมบัติร่วมกันของคนทุกคน การใช้สอยผลประโยชน์จากแผ่นดินเนี้ยมันต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนกันเช่นเนี่ยเช่นอะไรโรงงานไฟฟ้าอะไรต่อไรแก๊สธรรมชาติเนี่ยมันต้องผ่านและมันก็แผ่นดินของคนไทยเนี่ยมันต้องผ่านตรงนี้ตรงเน่งแต่ว่าเป็นประโยชน์แก่คนทั้งแผ่นดินและคนที่เขาคิดว่าเสียเนี่ยเขาไม่ทําให้เสียแล้วเพราะเขานี่คือคนเสียมากที่สุดไม่ใช่เราเสียมากที่สุด สมติเราท่อแกร๊ระเบิดเนี่ยไอ้บริษัทอะไรจะพังพินาศหมดเลยเสียเงินจะท้องแล้วตัวเองมันเสียอะไรห่ะลูกฝังไว้ใต้ดินนะแล้วทีาจามุมก็เห็นกันอยู่ว่าแก่ที่มันส่งกันมาไม่รกี่ปีแล้วทางภาคกลางนี่ย่าย่ย่ย่ย่จ่ถึงไหนแล้วน่ยน่ย่เ่ี่ย่ย่ย่ยนย่ยนย่ี่ย่ย่า่ย่ย่ย่ย่ยถน่ย่ร่ย่ย่ี่ยุย่ย่ย่ย่ย่ย่ี่ยาย่ย่ย่ย่ย่ย่ี่ยขาบอกย่ยไปถึงย่ย่ย่ย่ย่ย่ย่ยงไหนแล้ว มันไม่มีมมหรอกใครก็จะทำให้า ม, ามันทะเบิดอ่ะแต่มันก็อยู่ลึกด้วยความปลอดภัยนะอันดับหนึ่งมันมากก่อนแล้วก็ไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานอะไรเราฟังก็พูดพูดมันก็ใช่อารมณ์เพราะนั้นประชาพิจารณ์ในะยังนึกไม่ออกว่าการประชาพิจารณ์เนี่ยพื้นฐานความเข้าใจในปัญหาตรงนั้นต้องใกล้เคียงกันแต่เมือพูดยาก และในที่สุดมันก็ใช้อารมณ์เพราะอารมณ์ก็ไม่ใช่พระชาพิจารณ์เพราะพิจารณเป็นลักษณะของปัญญาเป็นงานใช้ปัญญามาสู้กันด้วยความเหตุควมผลแล้วในที่สุดมันก็ต้องลงมติเมื่อเป็นประชาธิปไตยก็ใช้เสียงกันมากกใช้เสียงกังมากเป็นประมาณมันจะเอาอยัางไงแล้วก็มีกฎหมายรองรับอะไรแต่ไก็ เป็นปัญหาที่น่าห่วงและความสามารถอ่ะเขาถามความสามารถเขาบอกเขาฝึกเราได้เห็นไหมว่าความรู้เนี่ยเขาประทมนิเทศเราได้ความคิดเนี่ยเขาประชุมเราได้ความสามารถเนี่ยเขาฝึกก็ได้แต่ที่เขาห่วงเนี่ยห่วงที่ตัวคุณธรรมคุณธรรมคืออะไร คุณธรรมที่เขาพูดคราวนั้นนะนะก็พูดแค่สามข้อแต่มามองว่าข้อเดียวก็พอแล้วหนึ่งคือความรับผิดชอบเป็นปัญหาใหญ่มากสังคมเรานี่พูดเก่งนะแต่พูดแล้วไม่ทำไม่มีความรับผิดชอบถ้าเรามองนโยบายของพรรคการเมืองที่กําลเสนอทางโทรทัศน์เนี่ย ม, นะมันเหมือนฉลอสวรรค์มาไว้ในโลกมนุษย์นะ แล้ถามคำเดียวแต่นั่นเองฮะตอบได้หรือเปล่าเอาเงินมาจากไหนแลน้นก็ทำไมนึกถึงรัฐรมนตรีลาวกระทรวงศึกษาธิการลาวนานมาแล้วสมัยเจ้าสวนภูมามาชอบก็ไมา่ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ชอบคำตอบอ่ะคือผู้แทน ข, ข่ายค้านก็พิปลาหยดย้อยเลยเนี่ยแต่หมายความมาถ้าทาตามที่แกว่าเนี่ยต้องใช้เงินเป็นแสนแสนใล้านอ่ะ มันพูดแบบและเลงกันห่มเบื้องในป่กเขว่าตั้งนานไร้ไม่ยาวพอถึงจุดที่ท่านจะลุกขึ้นตอบเนี่ยท่านก็บอกว่าที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติพูดมาทั้งหมดนั้นรัฐบาลเห็นด้วยทั้งสิน้นแต่ปัญหาว่าจะเอาเงินจากผีที่ไหนมาทำแล้วท่านกลับไปนั่งเฉยพูดแทนข่อยค้านก็ ก, ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงอ่ะ มันมันไม่เฉยๆแล้วพูดมันอนะ่ะแล้นี่คือคืออะไรคือขาดความรับผิดชอบเพราะมันมองไม่เห็นเป็นปฏิกิริยาอย่าลืมว่าตรงนี้ยังอยู่ปฏจกรนะิริาอ่ะครเป็นเรื่องปัจกิริยาว่ามันต้องเป็นปัจจิกรกยาว่าการงานเนี่ยว่าการบริหารจัดการอะไรก็ตามมันก็ทฤษฎี C M เนี่ยมันต้องใช้อะ่ะคือผู้ดำเนินงานทีมงานเนื้องาน แล้วงบประมาณเอามาจากไหนเห็นไหมมันมีงบประมาณแล้วบางอย่างมันต้องการผู้ชํานาญการเฉพาะด้านสมมติว่าอย่างเนี้ยสมมติว่าเราจะเล่นเดินเรื่องพาณิพนิพนาวีเนี่ยที่จะมันประหยัดเยอะแต่ปัญหาว่าเอาเรือมาจากไหนสมมติได้เรือเอาคนมาจากไหนคนเรามีพอหรือเปล่าที่จะรับผิดชอบในด้านพานิพณิพานา นาวีแล้วก็การท่าเรือต่างๆโอ้โหมือนเรื่องใหญ่เลยยาวเหยียดนะะคือมันมันมันเห็นเป็นปัจกิยาการวาต่อไปต่อไปเนี่ยอันนี้เกิดอันนี้เกิดอันนี้เกิดอันนี้เกิดแล้วจะมาอย่างไเงเรื่องอะไรเรื่องบางทีมันก็ตันนะ่ะเฉยๆเหมือนกับอะไรและเรือรบจากกรีนะหรือเบะเห็นไหมฮะมันมีปัญหาเกิดว่าค่าดูแลค่าซ่อมบํารุงรักษาค่าน้ํามัน มันที่ตามมาแในในตัวนี้ปัจจัยาการมันก็อยู่ในเนี้คือหมายความเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยแต่และเรื่องเนี่ยไม่ได้มองเฉพาะตัดตอนเฉพาะตรงไหนตรงไหนแต่เราก็ต้องมองเห็นทั้งระบบทั้งกระบวนการของมันถ้าเราเข้าใจถึงกระบวนการเนี่ยเอายกตัวอย่างพูดพระก็ได้ก็มาเคยพบปัญหาปัญหานี้เยอะมาก แล้วก็บรรยายอบรมมาตั้งแต่ปศ ส, งสังกัด498นะนะคือ40กว่าปีแล้วทำงานด้านนี้มาเนี่ยก็ไม่เด่นไม่ดังเท่าไรหรอกแต่ก็ทำงานมาตลอดเราเจอปัญหาที่เขาด่าพระเนี่ยด่าใล้ๆกับว่าพระเนี่ยเป็นมนุษย์พิเศษมาจากตาา่างดาวบทปัก บ, บริสุทธิ์ปุ๊บหมดเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลย ผิดพลาดบกคร่องอะไรไม่ได้นั่นคืออะไรคือเราไม่มองเห็นเป็นกระบวนการแต่เรามองเห็นเป็นกระบวนการว่าพลาดนี่คือใครสาวไปเลยสาวไปหาโคนเลยเห็นไหมเหมือนสาวปัะจัยการเหมือนสาวเถา ว, วันนะสาวไปหาที่โคนเลยพลาก็คือลูกชาวบ้านคลอดมาเหมือนไับชาวบ้านถูกไปไนะเนะเสร็จแล้วก็โตเป็นเด็ก แล้วเรียนอนุบาลแล้วก็เรียนประถมเรียนมัธยมเอาเดินในเต็มที่เลยนะครเรียนวิทยาลัยอาชีวะบ้างเรียนมัธยมบ้างเรียนมหาวิทยาลัยบ้างก็จบมหาวิทยาลัยอาสิ้นตีได้ว่าอายุยี่สิบยี่สิบอาจจะไม่จบนะเอาสักยี่สิบยิบเอดเนี่ยอายก็จบจบมหาวิทยาลัย แล้วอย่าลืมนะะที่จริงพระก็คือผลิตผลของสังคมมันเป็นกระบวนการเลื่อนไหลของสังคมมันก็ไหลกันมาอย่างนั้นนะฮะทีนี้มันเหมือนกับน้ําไหลอ่ะเห็นไหมเราลองดูน้ําไหลไปพอถ้าน้ําทางเหนือมันใสเนี่ยแล้วก็น้ําแม่น้ําเจ้าพระยาที่หน้ากรุงเทพมันใสอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าน้ําเหนือมันใสมาด้วยเนี่ยถามว่าน้ํำกรุงเทยมันจะใสไหมมันก็ใส แต่ทีนี้ถ้าน้าข้างบนมันคุนะ่น่ะต่อให้น้ําในแม่น้ำเจ้าพระยามันใสยังไงก็ตามนะฮะความใสก็ลดลงไปเพราะมาผสมกับ น, น้ําขุ่นเพราะในการเล่อนไหลอย่างเงี้ยถ้าไหลมาจากครอบครัวในสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมเนี่ยไหลเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลได้ดีเออเด็กมันดีพอแม่เขอบรมลูกมันดีอยู่โรงเรียนอนุบาลก็กลายเป็นเด็กดี เ ข, <PTSD> ข้าเรียนปถมก็เป็นเด็กดีเข้ามัธยมก็เป็นเด็กดีไปวิทยาลัยชีวะก็เป็นเด็กดีเป็นนักศึกษาก็เป็นอย่างดีบวชพระก็เป็นพระดีดีทันทีเลยนะทําได้แต่มันต้องทํามาตั้งแต่ต้นเพราะมันเป็นกระบวนการเลื่อไหลสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดทยอยกันไปอย่างเงี้ยนั่นคือกระบวนการของปัจจัยการแล้วทางเศรษฐกิจก็ดีทางสังคมก็ดีทางการเมืองก็ดีเนี่ยเรายืนว่ามันเป็นปัจจัยการ แต่เวลาเนี้ยเราพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องปฏิรูปการเมืองปฏิรูปแปลว่าอะไรมันเรู้ยังไม่รู้เลยเราทําจริงหรือเปล่าเราเข้าใจสาระถะของประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าประชาธิปไตยแปลว่าประชาชนเป็นใหญ่แล้วก็ปิดถนนหน้าทําเนียบอย่างงั้นน่ะนะนั่นเองคือประชาธิปไตยมันไม่ได้ใช่เลยนะมันไม่ได้หมายถึงหมดประชาชนเป็นใหญ่แล้วก็เอกชนก็เป็นใหญ่ คือเป็นสิทธิที่บุคคลจะต้องในการเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้สิทธิไปตามกรอบมันมีกฎเกณฑ์มันมี ก, ก, มมกติกามันไม่ใช่ว่าผมเป็นใหญ่แล้วก็ใหญ่เลยถ้าเราจะให้นักประชาธิปไตยทั้งหลายแม้แต่สสอร อ, อะไรแต่ไรวุธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยขอให้นิยามประชาธิปไตยมาคนละหน้ากระดาษจะไม่เหมือนกันฮะ รายละเอียดเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราฟังที่เ้าแสดงเนี่ยมันไม่เหมือนกันประเทศ e8 หรือ e8 e7 เนี่ยนะ e8 แ, e แล้วทวนมาเป็น e8 แล้วแต่ละประเทศเป็ น, นประชาธิปไตยแต่ถามมันเหมือนกันหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันเอังกฤษฝรัร่งเศสอเมริกาอิตาลีละมันเนี่ยญี่ปุ่น เหมือนกันป่ามันก็ไม่เหมือนเน่ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่าเนี้ที่จริงมันเป็นกระบวนการของเขตบรรจายู่มันต้องมีความชัดเจนในในในในแต่ละเรื่องแล้วก็การเลื่อนไหลของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นระบบมาเวลาเนี้ยเราก็ผงผางผงผางไปก็เกิดอปตอปจอะไรต่อยกันใหญ่เลยเราไม่ได้เสียมคนไว้ ลงสังเกตดูะหมยิงตายกันเป็นชุดๆเลยเอาอตตแล้วก็เคยบอกผู้แทนเอาไว้นะบอกค่อยดูเรี่องตั้งข่าวต่อไปนี่จะตายทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่น้อยกว่าห้าสิบศพตอนนี้ก็ตายกันมาบ่อยแล้วเนะี่ยฮะเห็นว่ายังยังไม่ทันอะไรละเริ่มเริ่มฆ่ากันนะเราไม่เข้าใจอ่ะเราไม่เข้าใจถึงจิตวิญญาณของประชาธิปไตยเพราะมันไม่ใช่ว่าการทำเรา เป็นว่าทำทั้งต่างชาติเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ทำความเข้าใจแม้แต่พวกมาเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไม่เข้าใจเนื้อหาจริงๆและคนไทยออกมาก็อย่างที่เห็นกันคือเข้าใจนะอาจจะเข้าใจแต่ว่าใจมันไม่ถึงมือไม่ถึงบางทีก็เข้าไม่ถึงรนางกายเป็นปัญหาเพราะาเรื่องทั้งหลายเนี่ยต้องเข้าถึงเข้าถึงนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด แล้วก็มือถึงมือถึงใจต้องถึงด้วยต้องถึงทั้งสามถึงแล้วจึงสามารถทําได้ถ้าไม่งั้นก็จะไปไม่ได้เพรา ะ, ะโลกของพุทธศาสนาจะเป็นโลกของการเรียนรู้ในการเรียนรู้เพื่อชีวิตแล้วก็เพื่อโลกทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาแนวปัปจจัยเหการนะฮะศึกษาเป็นกระบวนการทั้งหมดแล้วก็สาวไวเห็น เหมือนกับน้ำไหลอะน้ําไหลต้องข้างตรงไหนมันติดขัดตรงไหนก็แก้ไขกันไปเรื่อยๆทั้งตลาดสายตลอดสายขไหลก็น้ําก็สม่ําเสมอที่จริงทั้งหมดมันเป็นกระบวนการน้รําไหล่อยสว่างทางสะดวกะอะไรแต่าะที่จริงเป็นกระบวนการ ท, ทั้งหมดรถติดรถรถไม่ติดเนี่ยเป็นกระบวนการของปัจจัยการทั้งหมดชีวิตเราจึงเป็นวิถีของปัจจัยการคือกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งฝั่งทั้งหล ใต้ร่ระโพธยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง่องามไพบูรณนธรรมจุมมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี